2 อุปโสถะขันธกะ 68 สณิปาตานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตให้ทรงประชุมกันเรื่องปริภาชกอัญญติเถรีสมัยนั้นพระผู้มีพระ ประชาชนเหล่านั้นได้ความรักความเลื่อมใสในพวกปริพาชกอัญญติระฐีพวกปริพาชกอัญญติระฐีก็ได้พรรคพวกเรื่อง 15 ค่ำและ 8 ค่ำแห่งปักมนุษย์ทั้งหลายพากันเข้าไป 14 ค่ำ 15 ค่ำ 8 ค่ำแห่ง ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคและได 14 ค่ำ 15 ค่ำ ประชาชนพากันเข้าไปหาเพื่อฟังธรรมหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจะพึงประชุมและ 8 ค่ำแห่งปากบ้างหม่อม 15 ค่ำ 8 ค่ำแห่งปักด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะทรงแสดงธรรม ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้ากล้าปลอบชโลมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาก็แล้ว เราอนุญาตให้ประชุมกันในวัน 14 ค่ำ 15 ค่ำและ 8 ค่ำแห่งปัก 14 ค่ำและ 8 ค่ำแห่งปักจึง 8 ค่ำแห่ง ประชาชนเหล่านั้นพากันตำหนิประณามโพธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรทั้งหลายประชุมกันในวัน 14 ค่ำ 15 ค่ำและ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้เรื่องทรงอนุญาตให้กล่าวธรรมในวันประชุม 14 ค่ำ 15 ค่ำและ 8 ค่ำ ว่าด้วยการทรงอนุญาตปาติโมกข์เทศเรื่องพระผู้มีพระภาคทรงลิกเรนอยู่ในที่ ครั้นเวลาเย็นพระองค์เสด็จออกจากณที่นี้ได้เกิดความ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยกปฏิโมกขึ้นแสดง ข้าพเจ้าจักยกปฏิโมกขึ้นแสดงพวกเราบรรดาที่มีอยู่ทั้งหมดจงฟังให้ เมื่อกําลังสวดประกาศถึง 3 ภิกษุใดระลึกได้ยังไม่ก็สัมปชานมุสาวาทพระผู้มีพระภาคตรัส ความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุรูปนั้นนิทานุเทศวิภังปาติโมกนี้เป็นเบื้อง เพราะเหตุนั้นพระผู้แสดงคือจักบอกจักแสดงจักบัญญัติจัก เป็นมัชฌิมะก็ตามมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นพระผู้มี ท่านรูปใดมีอาบัติความว่าภิกษุผู้เป็นเถระก็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 คำว่าเป็นเหมือนการเปิดเผยอาบัติของภิกษุ 1 สวด 2 โสประกาศแม้ครั้งที่ 3 คําว่าระลึกได้คือรู้อยู่จําได้อยู่อาบัติที่ชื่อว่ามีอยู่ได้ คำว่าสัมปชานมุสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุรูปเป็นอาบัติเป็นอาบัติเป็นธรรมเป็นธรรม เป็นธรรมที่ทําอันตรายต่อการบรรลุ คือประสงค์ออกจากอารามต้องการความหมดจดอารามที่ชื่อว่ามีอยู่ได้แก่อารามที่ภิกษุล่วง ความผาสุกย่อมมีเพื่ออะไรความสมาธิสมาบัติเนกขัมมะนิสสรณะปวิเวกกุศลธรรม เรื่องภิกษุยกปาติโมกข์ขึ้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการยกปาติโมกข์ รูปภิกษุทั้งหลายยกขึ้นแสดงต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปักละ 3 ครั้งคือ 14 ค่ําวัน 15 ค่ํา ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ เรื่องพระชัพพคียกปฏิโมกข์ขึ้นแสดง ไม่พึงยกปฏิโมกข์ขึ้นแสดงเรื่องทรงอนุญาตความพร้อมเพรียง พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอุโบสถกรรมแก่ภิกษุทั้ง มหากปินณวธุว่าด้วยพระมหากปินณเถระเรื่องมัธคุจฉิมรกทายวันสมัยนั้นท่านพระมหากปินณอยู่ณ ที่จริงเราเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งลำดับนั้นพระ ถวายท่านพระมหากปินะถวายอภิวาทพระ ท่านพระมหากปิณณทูลรับว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ทั้งหลายพวกบูชาซึ่งอุโบสถ ท่านพระมหากปินะทูลรับพระดํารัสพระผู้มีพระภาคว่าไปพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้ เปรียบเหมือนบุรุษ 71 สีมานุชฌานาว่าด้วยทรงอนุญาตสีมาสมมุติสีมา อาวาดหนึ่งมีการกำหนดเขตเท่าไรจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มี วนนิมิตนิมิคือป่ารุกขนิมิตนิมิคือต้นไม้มัคคานิมิตนิมิคือหนทางวาเมกานิมิต ท่านผู้เจริญขอ An, ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสมมุติสมณสังวาสีมามีอุบาสก <Herm> understand clearly what mysterious Hmmm to keep their exten confinement The people who last one were here When the reality since recently Use the Amity Tu Kaori Just as it발ou may come to okay For their rest major Five کو Sixalta So By the way, when you come toól Make the Why hard the Kokomo marketers start to open again Be peuple then there must be look nearby There is way around again ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ 3 โยธยิ่งเรื่อง สีมาคร่อมแม่น้ำสมัยนั้นพวกภิกษุชาภคิสมมุตินทีปารสีมาภิกษุทั้งหลายมาทําอุโบสถถูกน้ําพัดไปว่าภิกษุ รูปภิกษุทั้งหลายสมมุติต้องอาบัติทุกกฎภิกษุ 72 อุปโสธาคารกถาว่าด้วยโรงอุโบสถเรื่องยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงตามบริเวณวิหาร พระอคันตุคาทั้งหลายไม่รู้ว่าวันนี้สงฆ์จะทําอุโบสถณที่ไหนภิกษุ เรือนล้นหรือถ้ำที่ทรงต้องการให้เป็นประกาศให้ทรงทราบด้วยยัตติ สงสมมตวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรงอุโบสถนี่เป็นยัตติ สงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่อง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงในอาวาส วิธีถอนโรงอุโบสถและกรรมวาจาถอนโรงอุโบสถภิกษุทั้งหลายพึงถอนโรงอุโบสถอย่างขอ สงฆ์ถอนโรงอุโบสถมีชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการถอนโรง 13 อุปโสธะปมุขานุชานาว่าด้วยทรง ภิกษุทั้งหลายจึงได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ เพราะเหตุที่ภิกษุนั่งในพื้นที่ที่สมมุติแล้วก็ตามเถิดวิธีสมมุติและ ในเบื้องต้นพึงทักนิมิตครั้นทักนิมิตแล้วภิกษุผู้นี่ นิมิตระบุไว้โดยรอบเพียงใดสมมุติพื้นที่ด้านหน้าโรงอุโบสถด้วยนิมิต ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องภิกษุ คราผู้มีประภาครับสั่งว่าภิกสุทั้งหลายในวันอุโบรสด expands our floor ผู้นิยาน yahoo a genoo e as a recreation of ph blown up ตรงสตร่วมกันสมัยนั้น è likemaya the �RAJ kri avad liai hew问 is ma ar ho โรงกันภิกสุทั้งหลายในอาวา молод Andrew any money zwang het ra Knu e eu punto ra charms R lim y j sometimes the � эфф ในอาวaran Double NFer might the mere looks as honest as well. RM woo ขอสงจงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเราภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทุกรูปต้องประชุมทำอุโบสถในที่แห่ง เรื่องกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะเดินทางจากอัฏฐกวินทวิหารมายังกรุงราชคฤห์เพื่อทําอุโบสถระหว่าง ผมเดินทางจากอัฏฐกวินทวิหารมายังกรุงราชคฤห์เพื่อทําอุโบสถหน้า สงฆ์ก็จงสมมุติภูมิสี สม adv那么 ว่สีมามีให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรสามว่าท่านผู้เจริญ 12 chipset 2 สมสม ให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรท่านรูปกันนั้นให้เป็น ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสมมุติแดนไม่อยู่ปราศ ท่านทั้งหลายทั้งหลายเหตุใดพวกท่านจึงมีแต่ผ้าไม่ดี เพราะเหตุนั้นพวกผมจึงมีผ้าไม่ดีมีแต่จีวรเก่าๆภิกษุทั้งหลาย สงจงสมมติสีมานั้นให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรเว้นหมู่บ้านและอุปจาระแห่งหมู่บ้านวิธีสมมุติและกรรมวาจาสมมุติติชีวราวิปวาสะสีมา พึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยัตติทุติยะกัมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอ สมณะสงฆ์ว่าสีมามีอุบโบสถเดียวกันแห่งใดที่สงสมมติแล้วสงสมมติสีมานั้นให้ สีมานั้นทรงได้สมมติให้เป็นแดนไม่อยู่ปราศจากไตรชีวร ภิกษุเมื่อจะสมมุติสีมาพึงสมมติสมานสังวาสีมาก่อนพึงสมมุติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรในภายหลังภิกษุทั้งหลายเมื่อจะ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยัตติทุติยะกัมวาจา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 เรื่องถอนสมณสังวาสสีมาภายหลังวิธีถอนและ ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงถอนสมานัสสังวาสีมามีอุบโวสถเดียวกันนั้นนี่เป็นยัตติท่าน ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสมณสังวาสีมา 76 กามะสีมาธิว่าด้วยกามะสีมา เมื่อสีมาที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติยังไม่ได้กําหนด สีมานี้ในป่านั้นเป็นสมารณสังวาดเรื่องอุทรกุกเคพาอสีมาในแม่น้ำเป็นต้นพิกษุทั้งหลายแม่น้ำทั้งหมดไม่จัดเป็นสีมาสมุตทั้งหมดไม่จัดเป็นสีมาในแม่น้ำในสมุตหรือในชาตาสะชั่วเรี วกน้ำสาดไปโดยรอบสีมานี้ในหน้าน้ำ สีมาที่ภิกษุเหล่าใดสมมุติไว้ก่อนแล้วกรรมนั้น สมมติสีมาทับสีมาสมัยนั้นพวกภิกษุชภคิสมมติสีมาทับสีมาภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบไม่ กรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นไม่ถูกต้องกรรม เ럽 ได้ไม่ควรกระฐานะภิกษุทั้ง 77 อุปโสธะ ว่าด้วยประเภทแห่งวันเรื่องประเภทแห่งวันอุโบสถครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีการสนทนา วันอุโบสถมี 2 วันเหล่านี้แลเรื่องอาการที่ทําอุโบสถครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีการสนทนา 4 อย่างคือ 2 การทำอุโบสถพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรม 3 การ 4 การทำอุโบสถพร้อมเพรียงกันโดยชอบธรรมการ การทำอุโบสถเช่นนั้นไม่พึงทำและ เพราะเหตุนั้นแลพวกเธอ